บอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เทระผู้อันวินยูชนพึงติเตียนได้ด้วยเหตุสามสถานนี้คือภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายเป็นผู้อันวินยูชนพึงติเตียนด้วยเหตุสถานที่หนึ่งนี้ว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายไม่ศึกษาความสงัดตามภิกษุผู้เทระทั้งหลายผู้อันวินยูชนพึงติเตียนด้วยเหตุสถานที่สองนี้ว่า สาวกทั้งหลายไม่ละธรรมะที่พระาศาสดาตรัสให้ละและที่สู่ผู้เทระทั้งหลายเป็นผู้อันวินยูชนติเตียนได้ด้วยเหตุสถานที่สามนี้ว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มักมากด้วยปัจจยราบย่อหย่อนตกอยู่ในอำนาจนิวรห้าทอดทิ้งธุระในความสงัดแหละถูกตำหนิด้วยเหตุสามอย่างนั่นแหละก็คือหนึ่งพระองค์สงัดไม่สงัดตาม สอง อ, องศ์สอนให้ละกอไม่ละสามเป็นคนที่มักมากย่อหย่อนตกอยู่ในอำนาจของนิวรณ์ห้าเนี่ยูกตําหนิข้อที่สามพิสูที่เป็นเทระคือพระที่มีพรรษาสิบขึ้นไปนะต่อไปพิกษุผู้ปานกลางเรียกว่ามัชิมะถ้าทําตัวแบบนี้เหมือนกันคือหนึ่งไม่ศึกษาความวิสงัดตามพระผู้มีพระภาค สองสอนให้ละก็ไม่ละสามมักมากในปจัจจยลราบย่อหย่อนในการเจริญกุศลและตกอยู่ในอำนาจของนิวรณห้าอันนี้ก็ถูกตำหนิสามอย่างแบบนี้เหมือนกันเรียกว่าพระพันษาห้าถึงสิบเรียกว่าปานกลางอาตมานี่แหละย่อไหมใครรัเนี่แหละเรียกว่าพระปานกลางเขาอกกันมัชชิมะก็คือยังไม่หนุ่มแต่ก็ไม่แก่แบบพอดีเลยอะระวาง ระหว่างแก่กับอ่อนไงส่วนพิกษูผู้ใหม่ใหม่ก็คือตั้งแต่ยังไม่มีพรรษาเลยไปจนถึงพรรษาห้าอย่างไงวินยูชนก็ติเตียนสามอย่างอากนั่นแหละหนึ่งไม่ศึกษาความสงัดตามภาษาสดาสองพองสอนให้ละก็ไม่ละสามนะมักมากย่อหย่อนและก็ตกอยู่ในนิวรณห้า ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อภาษาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายชื่อว่าไม่ศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล้วนี่แหละทําไมจึงไม่ปฏิบัติตามเหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคทรงสอนไว้ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็เมื่อภาษาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายย่อมศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุประมาณเท่าไหร่ทําไมจึงปฏิบัติตามพระองค์อ่ะ ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ย่อมศึกษาความสงัดตามคือสาวกทั้งหลายย่อมละธรรมะทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสให้ละเป็นผู้ไม่มักมากด้วยปัจจัยากเป็นผู้ไม่ย่อหย่อนไม่ตกอยู่ในอำนาจนิวรห้ามีใจน้อมไปในความสงัด ทีนี้พิสูจนในาศาสนานี้มีอยู่สามปูนด้วยกันสามแลวเทระมัชิมะและนวกะถ้าพระเทระพร ะ, ะมัชิมะหรือพระนวกะถ้าเป็นผู้ที่ไม่ศึกษาความสงัดตามนี้ถูกเป็นเหตุให้ตำหนิใช่ไหมตรงนี้ถ้าปฏิบัติตามก็เป็นเหตุให้ได้รับการสารรเสริญข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือ พระองค์สอนให้ละก็ละสามก็คือเป็นผู้ที่ไม่มักมากไม่ย่อหย่อนไม่ตกอยู่ในอำนาจของนิวรหะนั่นแหละดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อภาษาสดาประทับอยู่อย่างผู้สงัดแล้วสาวกทั้งหลายเชื่อว่าศึกษาความสงัดตามด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาธรรมะดังกล่าวแล้วนั้น โลภะและโทสะเป็นธรรมะลามกแปล ว, ว่าธรรมะบาปอย่างนั้นเถอะโลภะก็เอียงสุดส่วนสุดข้างหนึ่งเหมือนกันโทสะก็ส่วนสุดข้างหนึ่งเหมือนกันแต่มัชฌิมาปฏิปทาเพื่อละโลภะและโทสะมีอยู่นะมัชฌิมาปฏิปทานนึกถึงอะไรข้อปฏิบัติ์สายกลางของพระพุทธศาสนาต้องนึกถึงอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ดขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ ตรงนี้มองมองอะไรก่อนเป็นสัมมาธิฏฐิได้สักข้อหนึ่งไหมอ่านะนั่งกันอยู่นี่พอจะได้สักข้อไหมทานมีผลศีล ม, มีผลอ่ น, นะกุศลจิตที่เกิดขึ้นมีผลมีผลนะอะ่ถ้ากรรมสักกตาเลยเนี่ยเช่นโสตะวิ ญ, ญญาณที่ดังนี้ก็เป็นผลของกรรมใช่ไห ม, มที่เราฟังเนี่ยถ้าฟังแล้วเข้าใจในพระธรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยความเข้าใจอันนี้เป็นกุศลกุศลนี่มีผลนะ นั่นแหละมีความเข้าใจลักษณะนี้แหละเรียกว่ า, ากรรมสกตาทีนี้ถ้าหากว่าจะเอาสูงขึ้นไปกว่า น, นั้นกุศลเนี่ยกามาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติกามาวจรกุศลเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงกุศลที่ว่านี่เป็นยังไงอที่เป็นกุศลกุศลเนี่ยเป็นยังไงมหากุศลเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยที่มีรูป เสียงกปลิ่นรสโพธพะและธรรมะเป็นอารมณ์ในกุศลลจิตเหล่านี้ซึ่งเกิดขึ้นโดยมีรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะและธรรมะเป็นอารมณ์นั้นต้องปารบเป็นปลายกับหนึ่งทานกุศลสองศีลกุศลสามภาวนากุศลแสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมในกุศลจิตเหล่านี้เกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง จิตเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นอีกมั่งเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเรียกว่าเจตสิกพาโสโหติภาษาเกิดขึ้นเวทนาโหติเวทนาเกิดขึ้นในขณะที่กุศลจิตเกิดขึ้นสัญญาโหติสัญญาเกิดขึ้นเจตนาโหตินะเจตนาก็เกิดแล้วก็จิตตังโหตหิกล่าวซ้ําอีกครั้งนึงจิตเรียกว่าภาษาปัญจากะธรรมมีภาษาเป็นที่ห้า กุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นนะโสภณะสาธารณนี่รู้กันนะศรัทธาวิริยะสติหิริโอตปาอะโลภาอโทสะตัตระมัจตตาเนี่ยคือธรรมดากุศลจิตเกิดขึ้นต้องเกิดทุกดวงใช่ไหมกุศลจิตเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนั้นเจตนาตัวนั้นเป็นขณะนี้ถ้าดับไปนะเป็นนานัคขขณิกะการรมะปัจจัยต่อไปข้างหน้าใช่ไหมเป็นนานัคขขณิกะการรมะปัจจัย ภาษะเป็นขันไหมนะกุศลจิตนี้เป็นขันไหมเป็นขันพ่อไหน <submitting S 2> ภาษะเป็นวนะิญญาณขันได้เก่งมากเลยภาษะเป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันสัญญาเป็นสัญญาขันเจตนาเป็นสังขารขันจิตเป็นขันอขันเหล่านี้เนี่ยมหากุศลเหล่านี้เนี่ย เกิดด้วยปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยที่ทําให้กุศลจิตเหล่านี้เกิดหนึ่งขณะนี้นะฟังพระธรรมคําสอนใช่ไหมสัตธรรมสวรรณการฟังธรรมนี่แหละเป็นปัจจัยให้ความคิดนี้เกิดขึ้นคืออยู่ๆความคิดนี้เราไม่ได้เกิดก่อนมานี้ใช่ไหมแต่ความคิดนี้เกิดขึ้นเมื่อเราฟังธรรมดังนั้นเสียงที่ได้ยินนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่กุศลจิตอันนี้เกิดขึ้นอ่ากุศลจิตอันนี้เกิดขึ้นเพราะเราตั้งจิตไว้มาก่อน กุศลจิตอันนี้จึงเกิดขึ้นเรียกว่ามีโยนิโสตั้งใจมาฟังเป็นต้นตั้งใจเพื่อจะเข้าใจความตั้งใจเหล่านั้นเป็นปัจจัยกุศลจิตเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นนะเป็นกรรมใช่ไหมเจตนาตัวนั้นเป็นกรรมเป็นธรรมะฝาเหตุกรรมตัวนี้จะให้ผลได้เจตนาดวงที่หนึ่งสามารถให้เป็นทิ่ทธรรมเวทนียกรรมเจตนาดวงที่เจ็ดสามารถนาเกิดเป็น อุปชาเวทนยกรรมดวงที่สองถึงดวงที่หกเป็นอภราปริยะเวทนิยกรรมถ้าไม่นิพานนี้มันอาจจะให้ผลได้ต่อเมื่อมีกาลคติอุปธิประโยคะถึงพร้อมบีบากเหล่านี้ก็สามารถให้ผลได้ทีนี้เมื่อกรรมเหล่านี้อตัวนี้เป็นนาคนาขาัขนธ์กกรร ม, มะเป็นปัจจัยให้ต่อไปถามว่าดีไม่ให้ไปพบที่ดีนี่ดีไหมดีนะอา้าวเจตนาตัวนี้เพื่ออะไร เพื่อชาติปฏิสนธิในภพหม่เรียกว่าชาติมีชาติเรียกเกิดเกิดและแก่ไหมเกิดนี้ดีไหมเกิดและแก่ด้วยนะถามว่าเกิดดีไหมนั่นแหละชาติเป็นทุกขขาเจราเป็นทุกขามารณเป็นทุขขันธ์นตัวนี้เนี่ยซัดไปในภพต่างๆเพราะฉะนั้นขันธ์เหล่านี้เมื่อเกิดด้วยปจยัจจัยใช่ไหมกุศลจิตเกิดขึ้นโดยการฟังเป็นอารมณปร์ปัจจัย มีโยนิโสเป็นต้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้กุศลจิตเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าปัจจัยเหล่านี้ไม่มีสมมุติว่าไม่มีเสียงจิตแบบนี้จะเกิดไหมเราจะคิดอย่างงี้ไหมอยู่ๆไฟดับปั๊บคิดอย่างนี้กันไหมไม่คิดแล้วหมดปัจจัยความคิดนี้ก็ไม่เกิดหมดความตั้งใจนะจะมาแค่สิบนาทีอย่างนี้รีบปรับเลยหมดความตั้งใจที่จะฟังความคิดเหล่านี้ก็เกิดต่อไปอีกไม่ได้เพราะความคิดเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัย สิ่งใดก็ตามที่เกิดด้วยปัจจัยสิ่งนั้นเรียกว่าสังขต ธ, ธรรมหรือสังขารธรรมสัพเพสังขาราอนิจจาติสังขารเที่ยงไหยสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กุศลยังเป็นทุกข์เลยจะเปิดกล่าวไปยัยถึงบาปนะเมื่อกุศลเป็นทุกข์กุศลไม่เที่ยงแล้วผลของกุศลเที่ยงไห ม, ไมกบเที่ยงกำลังนั่งน่งกันอยู่นี่แหละเป็นผลของกุศ ล, ละส่วนหนึ่งอะ่ะเั้น ไม่มีความเที่ยงเลยนะพยาพญาที่เนี่ยเข้ามาเยือนเรื่อยเรื่อยลืมเจ็บแต่ความเจ็บไม่ลืมเราอ่ะใช่ไหมโรคภัยไข้เจ็บไม่ลืมเราทุกอย่างเลยยิ่งชราด้วยไม่ลืมเราเลยนะทําใจเป็นลืมมาตั้งนานแล้วใครถามอายุเนี่ยโกรธมาตั้งหลายครั้งแนละ้วนั่นแหละนั่นแหละก็ยังหวง น, นแ ะ, นน แ, ะแต่มันก็ไม่ลืมเราสักทีหนะึ่งอ่ะดูไปดูมานะถ้าอยู่ในแวทมนตร์เองเราก็ว่าเราไม่ไอ้อายุก็ไม่มากเท่าไหร่นะ พอไปเห็นเด็กๆเข้ามาเฮ้ยเราเนี่ยมันรุ่นไหนแล้ววันเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหมันคนละอย่างกันเลยนะนึกถึงความตายคนอื่นตายไปก่อนนะเรายังยังอเราอยู่อีกนา น, นเราอยู่อีกนา น, <c oughs> น, นเออแปลกนะก่ อ, อนนี้เราตอนหนุ่มๆนะั้นึกเออผู้ใหญ่นี่นะแกรู้หรือปล่านะอีกสิบห้าปีนี่นะแกต้องตายเพราะแกอายุหกสิบแล้วใช่ไหมคนไทยอายุเฉลีย่ยเจ็ิห้าเออพอเราอายุถึงหกสิบ้าแล้วไม่ ค, ค่อยคึกนึกอย่างนั้นนะแปลกนะว่าเออเราเหลืออีกสักสิบปีเนี่นะ ไม่ค่อยนึกนะมันมั น, มนความรักตัวใช่ป่<น>ะเคยเราคิดอีกในหนึ่งนะเรามองมาใกล้ๆชีวิตของเราเลยเนี่ยโลกทางตาที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะก็บอกว่าโลกทางตาที่เห็นเนี่ยมีตาเป็นใหญ่ที่สุดจากขูปัสสาทะจากขูปตัวนี้เนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดในการเห็นเรานึกเห็นความมั่นคงของจากขูที่เห็นเนี่ยขนาดไหนเราคิดไหม ถึงความมั่นคงของตาของเราที่จะเห็นต่อไปใช่ไหมหรือถ้าหากว่าไม่ไปเสริมเลนส์แว่นตาก็แล้วไปนั่นแหละอันั้นมันไม่มีความมั่นคงเลยนะดีว่ามีร้านตัดแว่นให้ค่อยเสริมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันมีความบกพร่องในตัวของมันไปเรื่อยๆเร่อยๆตัวจกักระเนี่ยหูที่เราได้ยินเสียงก็เหมือนกันคุณภาพหูมันจะลดไปเรื่อยๆเขาเรียกว่คาความคร่าคร่าของอินเสียจากขุนซีก็คร่ำคล่า โสตินซีก็ครําคร่าแต่กายินสีครําคร่าในชักเดือดร้อนนะนั่นแหละกายินสีคร่ำคร่านะผมก็จะเปลี่ยนสีขึ้นนั่นแหละผิวหนังก็เปลี่ยนแปลงนีเนื้อตัวก็ตกลระแล้วเริ่มเริ่มเรียกว่าอายุมากขึ้นกายินสีก็เปลี่ยนแปลงเมื่อกายินสีเปลี่ยนแปลงพราจะลุกเหยียดเหยียดขาซ้ายไพลไปเป็นขาขวาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยลุกขึ้นเอาหัวขึ้นก่อนตอนหลังเนี่ยเอายางอื่นขึ้นก่อนนะกระดกขึ้นนะ ก่า อ, อีสามนี่เห็นชัดเข้เขาไม่ค่อยนั่งเก้าอี้กันใช่ไหกนั่งคับเทียบเนี่ยเวลาจะลุกเน่ก้มหัวลงไปนะแล้วก็กระดกข้างหลังขึ้นมาก่อนว่าจะลุกขึ้นหน้เนี่ยนานดังนั้นมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดละเมื่ออินรีรูปเหล่านี้บกพร่องจิตก็เลยบกพร่องด้วยเหมือนกับเครื่องเสียงอะที่ตัวตัวลำโพงก็ไม่ดีตัว พวกม้อพวกแอมพวกอะไรต่างๆไม่ดีไฟก็เข้าติดติดระดับติดระดับเนี่ยนะเสร็จแล้วเสียงจะออกมาดีไหมความคิดของเราก็เหมือนกันเมื่อรูปที่เสื่อมคุณภาพลงไปจิตก็จะไม่ค่อยมีคุณภาพก็เหมือนกับตบมือถ้ามือแบบมือธรรมดาสามารถที่จะตบเสียงดังแต่ถ้ามือไม่ค่อยดีแล้วตบมันก็ไม่ค่อยดังแล้วจิตก็เหมือนกันเพราะาจิตนั้นต้องเกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุกับอารมณ์ประจวบกันเข้า นะอย่าง น, น้อยที่สุดภวังขจิตก็ต้องเป็นปัจจัยถ้าผวังขจิตเหล่านั้นกรรมบางอย่างมาเบียดเบียนเข้าผวังขจิตก็ไม่มีคุณภาพหรือผวังขจิตนั้นถูกกรรมบางอย่างมาตัดรอนนะจุติจิตทันทีเลยมันก็เสื่อมไปมันไม่มีความมั่นคงแม้แต่ผลของบุญยังยังไม่มีความถาวรไม่ต้องพูดถึงผลวองบ่าวว่ามันจะเจ็บขนาดไหนใช่ไหมมันจะทุกข์ทรมานขนาดไหนสัตว์ในอบายเนี่ยนะ มดแค่มดพวกเดียวเนี่ยนะมากกว่าคนทั้งเชียงใหม่ทามดพวกนั้นมาปฏิสนธิเป็นมนุษย์หมดนะโอ้โหหาข้าวเลี้ยงไม่พอสัตว์ในอบายนี่มากมายมหาศาลเพราะฉนั้นถ้าหากว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้นะเราจะไม่เห็นคุณค่าเลยถ้าไม่พิจนารณาถึงภายในอบายเราจะไม่ศรัทธาในแนวทางนี้เท่าไหร่นะถ้าเราไม่พิจนารณาถึงอบายทุกติวินิบาตนารก อันเราดูเหมือนว่าเราจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่ไม่ใช่ตาก็มีความเสื่อมพร่าเป็นธรรมดาหูก็มีฟางเป็นธรรมดามันไม่ค่อยชัดแล้วใช่ไหมสุขภาพก็ชักไม่ค่อยดีขึ้นถามว่าหาอะไรพอที่จะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งให้แก่ชีวิตเราได้บ้างนอกจากสัมมาทิฏฐิความรู้นี้นะถ้าพอกพูนให้เกิดหนึ่งครั้งเรียกกุศลจิตเกิดทีหนึ่งถ้ากุศลจิตเกิดบ่อยๆ อ, อย่างนี้เป็นไปเพื่อ เพื่อความรู้ยิ่งใช่ไหมเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อ น, นิพานอันกุศลเหล่านี้จึงต้องพอกพูนวันนี้ถ้าความคิดแบบนี้เกิดบ่อยขนาดไหนคนนั้นเรียกว่าเจริญภาวนามากหรือปฏิบัติธรรมตามพระธรรมคำสอนมากความคิดอย่างนี้ไม่เคยเกิดเลยก็แสดงว่าห่างพระพุทธเจ้าเต็มทีละชีวิตเนี่ยห่่ยเรื่อยเรื่อยรือนั่นแหละห่างทางจิตใจ ท่านจะคิดอย่างนี้ได้นะถ้าท่านไม่มีกรรมสกตตาปัญญาเป็นพื้นนะยากยากที่จะคิดดิ่งล่ า, านี้น ะ, ะถ้าท่านนึกถึงกรรมสกตตาปัญญาไม่ออกท่านนึกถึง <c oughs> อพระพุยภาคที่ก่อนตัดสรุปพระองค์ได้ได้วิชาสามใช่ไหมเนะีตั้งแต่บูเพนิวาสานุสติใช่ไหมที่เรานึกถึงชาติได้นั่นเะป็กรรมสกตตาปัญญาอย่างดีเลยอะ่ะและจุดตูปาฏยานเหมอือนกันว่าก็รู้การจุดติของสัตว์ด้วย รู้ว่สัตว์เนี่ยมันมีกรรมอย่างนี้มาเกิดอย่างนี้นะทํากรรมอย่างนี้มาเกิดอย่างนี้กรรมดีมามามาดีกรรมชั่วมาชั่วอย่างนี้นะพอมาอยู่ปัจจุบันนี้ทํากรรมใหม่แล้วไปเกินใหม่เนี่ยการรู้สองยานแรกเนี่ยนะ่ะเป็นการรู้เรียกว่ากรรมสกตาอย่างละเอียดทีเดียวอ่ะมันต้องไม่ป่วยกล่าวไปย้ายว่าทานมีผลหรือไม่มีผลพ่อแม่มีคุณไหมใช่ไหมไม่ต้องไปพูดถึงนะ ยันมีผลไหมการบูชามีผลไหมอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ายานนี้เห็นละเอียดทั่วหมดเลยอย่างถึงอย่างถึงนะความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนสัตว์มีมีกรรมกรรมในที่นี้ได้แก่เจตนาตนาครับสัตว์โลกเป็นไปตามนาจของกรรมกรรมก็คือเป็นไปตามน้าของเจตนาเจตนาที่เราคิดดีหรือไม่ชีวิตของเราเป็นไปตามเจตนาตัวนี้นะ แต่ถ้าใช้ว่าเป็นตามกรรมเนี่นะเราก็โอ้โหแถวไปที่ไหนก็ไม่รู้ลมพัดไปหมดเลยบอกเป็นไปตามเจตนาขณะนี้ด้วยเจตนาที่เราคิดนี่แหละชีวิตของเราจะเป็นไปตามความคิดเหล่านี้จะดีหรือจะยากจะสุขจะทุกข์ก็แล้วแต่เจตนาเหล่านี้เพราะเจตนานี่แหละทําให้พูดทําให้ให้พูดเรียกว่าพฤติกรรมให้แสดงออกยืนเดินนั่งนอนเป็นกายกรรมนึกคิดเป็นมนโนกรรม นะเจตนาเหล่านี้เนี่ยวันนี้ไม่มีเจตนามีใครมีไหมไม่มีเนาะทุกคนมีเจตนาหมดเลยจะไปอยู่ที่ไหนดีนะเจตนาเหล่านี้มันคิดไว้แล้วอะ่ะเราจะบอกว่าจะไม่มีผลไม่ได้ใช่ไหมเจตนาเหล่านี้จะให้เราไปที่ไหนจะซัดเราไปพบไหนแต่แน่ๆกามมาพบอยู่แล้วเพราะไม่ได้ฌานทีนี้กามมาพบมีสิบเอ็ดสิบเอดแห่งสิบเอ็ดแห่งเนี่ยอยู่ที่ไหนดีถ้าไปเกิดเป็นเทวดานะ คิดว่าจะอยู่ได้กี่ปีอันเทวดานี่มีอายุมากกว่าจริงนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะอยู่ได้ยาวนะเหมือนกับมนุษย์โดยเฉลี่ยอายุ75ปีแล้วทุกคนเกิดมา75ปีกันหมดไหมไม่แน่แล้วเขากลับบ้านก่อนกันตั้งมากมายแล้วเนาะอันเวลากำหนดมีจริงแต่กรรมที่จะทำให้เกิดในภพนั้นนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะครบตามกาหนดเสมอไปถ้าลลกุศลจิตเราไม่มีกาลังเพียงพอ มันก็เหมือนกับเข้ามาในเมืองนะเราสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนั่นแหละถามว่าทุนที่จะเที่ยวอยู่ในเมืองตลอดมีไหมกุศ ล, ลจิตเหล่านี้ก็เหมือนกันเพียงพอไหมที่จะไปอยู่ในแต่ละภพภูมิแต่ละที่แต่ละแห่งกุศ ล, ลจิตเท่านั้นแหะนะสัตว์โลกเป็นไปตามอํานาจของกุศลคือกุศลเนี่ยหล่อเลี้ยงให้อยู่ในที่ดีๆอาคุศลก็เลี้ยงกันนะแต่ว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควรอยู่เพราะ ปลายประพฤติในสิ่งที่ไม่สมควรประพฤตินั่นแหละันกายกรรมวิจีกรรมที่ไม่ดีที่ไม่ควรทำไม่ควรพูดไม่ควรคิดกรรมเหล่านี้เนี่ยสำนวนจีนเ้าใช้คาว่าต้องจ่ายเขาว่าไงต้องจ่ายเคอถ้าหากว่าเราทำดีนะต้องมีคนจ่ายเราถ้าเราทำไม่ดีเราต้องจ่ายคำ <c oughs> ว่านี่ต้องชาระ <c oughs> เมื่อเราต้องชําระให้เขาเนี่ยถ้าจิตเป็นบาปนะชําระด้วยอะไรได้ไหมถ้าเป็นพวกเรานะผลของอาทินนาทานชําระด้วยทรัพย์สินผลของกาเมสุมิชฌาจาร์ชาระด้วยไปที่ไหนศัตรูเยอะผลของปานาติบาตเบาที่สุดเลยโรคภัยไข้เจ็บมากนั่นแหละชําระมากขึ้นก็ น, นั้นนะ้น้ำตาก็ไหลชําระมากที่สุดก็เรียกอายุสั้นนั่นแหละมันต้องจ่าย แต่ถ้าหากว่าเป็นกุศล น, นะยังไงเขาก็ต้องจ่ายให้เราเพราะว่าจิตใจของเราท่านทั้งหลายมันเป็นการฆ่าตลอดเลยนสภาพจิตเนี่ยเป็นสนามของการฆ่าตลอดเลยบุญกับบาปเท่านั้นแหละของสัตว์ที่อยู่ในภพภูมิต่างๆเหล่านี้ถ้ายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเรามองอย่างนี้ชีวิตเราน่าจะใช้ชีวิตให้อภิรมมากๆนะจะมาเครียดมาทุกข์อะไรกับชีวิตเหล่านี้แต่เราอยู่อย่างนี้ได้อีกนานไหม ต้องต้องเจริญมรรนาุสติเหมือนกันว่าเราอยู่อีกไม่นานนะเวลาเรามีสั้นมีจำกัดนะถ้าเราเพลินเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ในสถานที่บางแห่งนานนะเราก็จ่ายค่าเวลามากถ้าเราไปไปอยู่กับแหล่งที่เป็นบาปเป็นอาคุศลมากๆเราก็ต้องจดจ่ายด้วยชีวิตของเราเพราะว่าเป็นเป็นชีวิตอะ่ะขณะไหนมันไม่เป็นชีวิตเอาเป็นชีวิตเนี่ยเมื่อลงทุนด้วยชีวิตผลก็ต้องรับด้วยชีวิตเหมือนกัน แต่ก็ชีวิตเหล่านี้เนี่ยเมื่อเป็นไปตามผลบุญผลบาปเหตุที่ดีที่เราควรเจริญสะสมเหตุ salts, อันนั้นก็คืออัตตะสมมาปณิธิควรตั้งเอาไว้กุศลธรรมอะไรที่ควรเจริญสมาทานแต่ว่าเราจะประพฤติกุศลเหล่านั้นนั้นเพื่อชีวิตของเราเองนั่นแหละทันการทํากุศลนั้นเขาบอกว่ากุศลเนี่ยโจรก็ปล้นไม่ได้ไฟก็ไม่ไหม้น้ําก็ไม่มท่วมเขาบอกว่าทายาทอัปรีก็แย่งไม่ได้ เราไม่อยากให้เขาใช่ไหมเขาก็แย่งของเราไปไม่ได้กุศลเท่านั้นแหละจึงจะช่วยชีวิตเราได้อันชีวิตของหลายคนอย่างอย่างเราอยู่กันอย่างนี้เนี่ยชีวิตเราอยู่ด้วยกุศลนะถ้าอากุศลมันมาตัดรอนปั๊บเนี่ยนะอยู่อย่างงี้โยมเคยเห็นนั่งนั่งอยู่แล้วก็ตกกระตกเลยไหมแล้วก็ล้มแผลลงไลเคยป่ะ <c oughs> ถ้าอากุศลมันมีกําลั ง, งจริงๆนะอ่ามีโยมคนหนึ่งเขานั่งดูทีวีนะดูไปหัวเละค้างค้า ง, า ง, างแต่แลราก็ช็อกอยู่ตรงนั้นไง ไปตายที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งก็านั่งฟังทำอยู่นะนั่งฟังไปเรื่อยๆก็ช็อกเลยแล้วก็เอาไปตายที่โรงพยาบาลอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสถาน ท, ที่ทิ้งร่างกายเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าที่ไหนแล้วเราจะปล่อยความคิดเหล่านี้ให้ล่องลอยไปคาว่าลอยไปก็คือไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วจิตฟุง้งซ่านรู้แล้วโลภโทสะในจิตเรากำเริบขึ้นแล้วเราจะเรียกว่า สร้างเหตุแห่งความทุกข์ทรมานให้จิตเราไปถึงนะ้อไม่น่าจะสงฝานบ้างแล้วนะปล่อยให้มันเป็นบาปมานานแล้วลองทำให้เป็นบุญหรือจะเป็นยังไงตัวเองครับเรานี่ชอบทำ้ายตัวเองนะโดยไม่รู้ตัวเลยนะ <laughs>